แปดสิบแปดโอซุมดอดีตการของกรยิยาช่วย2องมีนาโต้เวรเมะนาโมดัล л ิตะกราโงลีสองมีนาโต้เวรเ л н นาโมดัลนิตะ ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊ ก, กตามอยต์สินเนสักกเชด้าสุลมอยสินกชสราสุุลตลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอลมอยต์ตาเคิร์เนสักกเชด้าตบอิกดราฟุตบล ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผมลูกๆของผมไม่อยากไปเดินเล่น พวกเขาไม่อยากจัดห้องที่เนดอาตไพวกเขาไม่อยากไปนอนที่เนดาอรวตเเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต้ลลตน ผมได้รับอนุ ญ, ญาตให้ขอพรยัสสเมฟดาซิปุสักกัมเนิชโตยัสสเมฟดาซิ s ุสักกัมเนผมได้รับอนุ ญ, ญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดยสส Si ผมได้รับอนุญาตให้หยิบชก โ, โกแลตยัสสเซคุณสู่บุรีบนเครื่องบินได้หรือสเมชลีดาพุชิชวอวอาวอโอ คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือคุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา На останат распустot, смеја децата долгу надвор. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน смеја си да играт долгу дворот. во พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ท